أعيهم في الحياة في الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. أولئك الذين تفهوا بآيات ربهم لهم ولقائه َِ فحبقت ََِ أعمالهم. ولا نقيم لهم َ يوم القيامة وزنا. <تصفيق> َ ل ِ ك جزاهم جهنم. و ะรุสุลีวะทัฮฺฮุซูอัลัยตีวะรุสุลีฮุซูอัลัมบิลลาฮฺุลราะห์มานุลราะหี อินน الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا ه د, ه د ه ي ل ل ه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ش ي ك له وأشهد أن محمدا ع ب َ ه ورسوله اللهم بك أصبحنا วับิกะอัมไซน์นะวับิกะนัพยาว أَعُوذُ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ ا ل ت َّ ا م َิกِ مِنْ شَرِّ مَا خ َ ل َ ق ม أَعُوذُ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ ا ل ت َّ ا م َตาِ ب ิ سم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله رب و بالإسلام دينا و بمحمد رسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาศึกทุกท่านข้าพอัลฮัมดุลิลลา เราขอบคุณต่อ Allah Subhanahu wataala ที่ Allah ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้และให้เราได้มีโอกาสได้พักดีต่อ Allah Subhanahu wataala Allah ให้เราได้มีโอกาสได้ทำอิบาดะต่อ Allah Subhanahu wataala อิบาดะ ดีที่สุดก็คือการเข้าความเอาลอโดยการนามาศจะเป็นนามาศห้าเวลาหรือว่านามาศสุนนะมุอะคกะดะจะเป็นนามาศตะหัดจุดหรือเป็นนามาศสุศนนะใดๆเช่นนมาศบุฮาทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺพึงพอใจเพราะฉะนั้น เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์อีกนะครับที่เราได้มีอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับเราถือเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์พอใจมากที่สุดซึ่งอัลลอฮ์กล่าวบอกว่าอินนดีไนอัลลอฮิลิสลามศาสนาของอัลลอฮ์ก็คือศาสนาอัลอิสลามอิสลามไม่แปลว่าอะไรอิสลามมีอยู่สองความหมายนะความหมายหนึ่งแปลว่า สันติ peace นะแปลว่าสันติหมยายความว่าอิสลามเนี่ยมีแต่สันติสันติสันติไม่มีปัญหาเลยประการที่สองอิสลามแปลว่าการยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงการยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงหมายความว่าอะไรคําสั่งที่อัลลอ สั่งผ่านนาบีจะเป็นยุคไหนก็นตามใครที่นำมาไปปฏิบัติทั้งหมดนะ่ะนั่นแหละคนนั้นเป็นมุสลิมนบีทั้งหมดที่มาในโลกนี้เป็นมุสลิมทั้งหมดนะครับก็คือเชื่อยอมจำนวนตนเชื่อฟังอัลลอ์สุบฮานวตาาสิ่งที่อัลลอ์เกลียดมากที่สุดก็คืออัลกุฟรการอะไรนะการปฏิเสธ แล้วก็ตู้เยานการดื้อดึงแล้วก็ความไม่เป็นธรรมในสังคมนี่อัลลอไม่ชอบคนที่เป็นผู้นำแล้วก็ไม่ให้ความเป็นธรรมไม่ให้ความยุติธรรมเขาเรียกว่าร้อเลมเนี่ยบาปหนักมากด้า น, นความหายานะจะเกิดขึ้นบนโลกดุนยาใบ น, นี้ก็คือความไม่เป็นธรรมนะครับ ขอบคุณอัลล์นะที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานมาถึงซูลรที่18บแปสถึงซุรอัลก้ในคัมภีร์กุรอานมีทั้งหมดหนึ่งรสิร์นะมีอยู่หนึ่งร้สุร์มีกี่ยุษสามสิบยุษชาวบ้านเรียกว่ายุนะที่ถูกมันต้องว่ายุษอุนอ่ายุอุนมีอยู่สามสิบยุษ แต่เราเรียกยุสไม่ค่ยไวก็เรียกยุมีเท่าไรนะสามสิบยุอ่าแต่หนึ่งร้อยสิบสี่สู้หรอเรามาทบทวนถึงซูร่าที่สิบแปดแล้วทำดุลิแลเยอะได้เยอะแล้วนี่กว่าสิบแปดปีแล้วท่านประธานว่าไงสิบปดปีใช่ไหมัมดุลิแลตายไปเยอะแล้วคนที่นั่งฟังอ่าวันนี้มาถึงอายาที่หนึ่งร้อยสามนะทีนี้ก่อนที่จะ อธิบายอายาที่หนึ่งร้ยสามเ น, น, นี่ยก็ขอทกทวนอายาที่หนึ่งร้สองสังนิดหนึ่งนะอัลลอกล่าวบอกว่าอาฟ้ฮาซิบัลลัลลีนะกัฟารูอยยัดตะฮิดูอิบะดิมินตูนีอาลิยาอินน่าอาตัดนาจานนัมลิลกาฟิรีนะนูซุลา ดูคำแปลนะครับบรรดาผู้ปฏิเสธนึกคิดกันนั้นหรืออาฟะฮัสิบะอัลลัลีนะครบฟารูบรรดาผู้ที่ไม่เอาศาสนาเนะี่ยคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาระซูล น, นะครับนึกคิดกันนั่นหรือพวกเขาจะเอาบาวของฉันไปยึดเบาวของฉันอื่นจากฉันเป็นผู้คุ้มครอง คุณคิดยังไงไม่เอาฉันแต่ไม่เอาใครนะไปเอาเบาวของฉันเป็นที่คุ้มครองอื่นจากฉันอมีใครบ้างเด็ยที่ไปยึดสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาเป็นที่คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยมีเยอะไหมเยอะมุสลิมพวกเราเนี่ยก็เยอะเยอะโตเตีกเกยเป็นที่คุ้มครองเห็นไหม ยึดอัลลอ์ด้วยยึดโตตะเกียดด้วยยึดอัลลอ์ด้วยยึดโตระยองด้วยอือ่ะทีนี้คนที่ยึดเอาสิ่งอื่นคู่กับอัลลอ์เนี่ยที่ตับซซฟอธิบายไว้มีอยู่หนึ่งพวกยะฮูดีเนี่ยยึดเอาแท่นอูซจส์อะเลายฮิสอลามเป็นที่คุ้มครองคู่กับอัลลอ์พี่น้องชาวมาัซีซ นะมาเซียเนี่ยยึดเอานาบีนอิสาเป็นที่คุ้มครองคู่กับอัลลอ์แล้วก็คนอาหรับอาหรับญาฮิลียเนี่ยตอนที่ท่านนาบียังมีชีวิตอยู่นบีนสอนศาสนาเนี่ยคนอาหรับตรงนั้นเนี่ยยึดมาลาอิ ก, กะว่าเป็นลูกสาวอัลลอ์คุ้มครองตัวเองคู่กับอัลลอ์อีกกลุมหนึ่งนะครับ ยึดเอาเนี่ยคนกาเฟตบรรเราเนี่ยนะยึด อ, อะไรนะยึดเอายินเรียกว่าเจ้าที่นะนั่นแหละเป็นที่คุ้มครองยึดเอายินใช่ไหมแล้วยินเนี่ยมันแปลงตัวได้บางทีมันก็แปลงเป็นคนบางทีมันก็แปลงเป็นสุนัขแปลงเป็นได้หลายๆอย่างแหละนะฉะนั้นคนกาเฟตบรรเลวเนี่ยยึดเอายินเรายึดเอาไซต์ตอแม้แต่มุสลิมเองก็ยึดเลี้ยงยิน อืเลียมยืนกันฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ต้องการอัลลอฮ์ให้ต้องการให้เรายึดอะไรนะยึดอัลลอฮ์องเดียวเป็นที่พึ่งทั้งหมดเลยอายะกรานตรงไหนว่ายึดอัลลอฮ์ผู้เดียวเป็นที่พึ่งอัลลอฮุสซามาที่เราอ่านกันทุกวันนั่นแหละอัลลอฮุสซามาเดตรงนี้แปลว่าอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของทุกๆสิ่งทุกอย่างนะเอา วันนี้มาถึงอายาที่เท่าไหร่นะน ห, น, บบห น, บบนึ่งร้อยสามกุลฮัลนูนบบิุกุมบิลอัลซารีนาอ์มาลากุลฮัลนูนบบิุกุมบิลอัลซารีนอาอ์มาลากุลนี่แปลว่าจมกล่าวเถิดมุฮัมมัดนี่อัลลอ์สั่งนะมุฮัมมัดเอย้ย จงไรนะจงประกาศจงสอนจงด้ว่าจงตําลีกจงพูดกับอุมะกับประชาชนหมู่ชนของท่านนะฮัลนูนับบิลกุมจะให้เราแจ้งแก่พวกท่านจะเอาไหมฮัลนูนับบิลกลุมจะให้เราแจ้งแกพวกท่านเอาไหมแจ้งเรื่องอะไรครับบิลอักษรีนอักษรีนแปลว่าขาดทุนยิ่ง เหมือนกับอายาที Quran, ่กูอ่นานนะ walasul ilin al insa nala fi khusrin นั่นละอักษรีนแปลว่าขาดทุนยิ่งถ้า k ุสรุน n แปลว่าขาดทุนอย่างเดียวตอนนี้อัลลอฮ์เล่าเองนะฉันจะบอกคุณท่านเอาไหมอามาละแปลว่าในการงานในการงานที่ขาดทุนยิ่งเอาไหมอยากจะรู้ไหมมีอะไรโอ้ควาคุณอัลลอฮ อลัลลอ์เล่าเองงานที่ทำแล้วผลลบุญไม่ได้ทำแล้วอลัลลอฮ์ไม่พอใจทำแล้วไม่มีรางวัลตอบแทนจากอาลัลลอฮ์ทำแล้วแทนที่อลัลลอ์จะรักอลัลลอ์กับโกรธนี่ยังให้ดังได้ใช่ไห่ไม่ให้ดังได้ไหมต้องเป็นเบาเสียงหรือเปล่านะงานที่ คำแล้วขาดทุนยิ่งน่ะในในงานท่านท่านอยากจะรู้ไหมอ่าคำต่ออยู่ในคัมภีกคุณอ่านนีละอายะที่หน so like ึ่งร้อยสี่อัลลอฮฺเล่าเองนะครับ อัลลอฮ์แจ้งเลยงานที่ทำแล้วขาดทุนยิ่งไม่มีผลบุญมีแต่โทษนะครับคืออัลลอีนบอลลบรรดาผู้ที่ซายยฮุมซายยฮุมแปลว่าการขวนขวายหรือการวิรยิยะอุตสาหาการงานของพวกเขาซายยฮุมก็แซนะ่น่ะเดินแซนะ่น่ะซายฮุบันนะ่ะเดินอย่างๆๆๆๆนะ วิ่งบ้างมันเดินบ้างไงมันเหงื่อออกเลย น, ะนั่นในขัว้วแสะสะอยู่ความวุฒิยะอุตสาหบรรดาที่การขวนขวายหรือการวุฒิยะของพวกเขาด่นละศูนย์ไปศูนย์หายไปหมดเลยทำแล้วก็หายทำแล้วก็หายไม่ถูกบันทึกนะเอาลองผลละลบุญไม่มีทำแล้วหายทำแล้วหายคืองานอะไร งานที่ฟิลไฮยะติดดุลยาคือต้องการอย่างนี้ต้องการจะบอกว่างานที่ทำแล้วแยกเอ า, าศาสนาออกแยกเอาคุณธรรมออกแล้วก็หัวใจเนี่ยไฟฝักอะไรนะฝักไฟแต่โลกใบนี้ใบเดียวทำงานแล้วก็หวังที่จะได้รับรางวัลบนโลกใบนี้ทำแล้วอยากได้ของตอบแทนบนโลกใบนี้ ทำแล้วไม่ได้นึกถึงโลกอาคือร้อยเลยทำแล้วไม่นึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวตาตอาลาทำแล้วไม่นึกถึงสุนนะท่านนาบีคือได้จะทําอย่างเดียวให้ฉันได้อะไรถ้าจะทําเพื่อดุลย์ยาก็ทำสี่อย่างหนึ่งทำเพื่อเงินไห็นไหมเนียตเอาเงินอย่างเดียวเลยใช่ไหมสองชื่อเสียงสามเกียรติยศสี่ตำแหน่งใช่ไหม เนี่ยใครที่ทํางานแล้วก็ตัดเอาศาสนาออกตัดเอาคุณธรรมออกตัดเอาอะไรนะคําสอนที่มาจากอัลลอฮ์ออกไม่อาศัยอัลกุรอานไม่อาศัยคําสอนของนบี ม, د, มุฮัมมัดมาเป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานงานนั้นแหละเขาเรียกว่างานที่ทําแล้วไม่ได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เลยโอ้โหเนี่ยพอฟังตรงนี้แล้วเป็นไงเนี่ย ฉะนั้น ง, งานทุกอย่างที่เราลงมือทำเนี่ยต้องนึกหนึ่งทำเพื่ออัลลอฮ์สองทำตามแบบสุงนาท่านนบีอัลลอฮ์ใช่ไหมล้วก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำแล้วอย่าโอ้อวดเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ราตาสอนเลยนะคือทำแล้วเนี่ยนะครับต้องได้รับรางวัลตอบแทนจากอ ah ัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตาลอา้าวผมขอยกขอยกตัวอย่างนะ ในตับเซในตับอธิบายว่าก็มีฮะดีสบทหนึ่งของอิหมามท่านตึรมีดีท่านอิมรอนเบนฮฮเซนชื่อนาอิมรบอนบนบนโฮเซนเนี่ยเล่าให้ฟังซึ่เป็นซอฮบะท่านนาบีบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยก่อนจะรับอิสลามได้พบท่านนาบีนบีถามบอกว่าคุณ วันนี้เนี่ยคุณกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะกี่รายการนบีถามดีไหมคนนี้นะก่อนรับนับถืออัลิสลา ม, มาพบท่านนาบีนบีถามว่าวันนี้คุณกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะกี่รายการพ่อของท่านอิมรอนบินฮุเซนบอกว่าฉันกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ็ดรายการหกรายการสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนหน้าแผ่นดิน อหนึ่งรายการอยู่บนชานฟ้ากลายเป็นอะไรเจ็ดใช่ไหมกราบสิ่ศักดิ์สิทธิ์นเจ็รายการหกรายการอยู่บนแผ่นดินหนึ่งรายการอยู่บนชั้นฟ้าแล้วก็นบีก็ถามบอกว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันไหนที่คุณมั่นใจมากที่สุดแล้วก็กลัวมากที่สุดแล้วหวังว่าจะได้รับความตอบแทนมากที่สุดนะ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันไหนท่านบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนชาน้าก็หมายถึงใครอรรรและอีหกรายการข้างล่างเนี่ยมันจะหวังเลยแต่กลาบไปยังนั้นแหละเพราะว่าชาว บ, บ้านเขากลาวพ่อกลาบแม่กลาวพขากลาบตามเขาห ก, าการายการมีอะไรท่านเฉลยเลยหนึ่งในคุรมียารูสอ่ายาลูสยาอุนัส ลาตมานาตอุจา ah. นี่เป็นคนอเลมคนดีทั้งหมด6รายการก่อนตายเป็นคนดีแล้วพอตายเสร็จแล้วนะไปไปฝังพอฝังเขาจัดกูโบกองเขาเป็นมากอมนะแต่ก็กาบไหว้กันด้วมากอมนั่นแหล ะ, ะ, ะเนี่ยกาบโตโตหกโตเนี่ยโตอะไรนะโตยาโกสโตยาอุกโตนัสโตลาต โตมานาโต อ, อุาก็แบบเราเนี่ยไปหาโตตะเกียร์โตระยองอืมไปกราบโตระยองไปกราบโตตะเกียไปขอเจา้าโตตะเกียไปขอเจา้าโตระยองไปขอต่อโนลงนานี่ก่อรับอิสลามหลักข้างบนกรากบใครกราบอัลลอฮ์ถามว่ากราบแบบนี้เนะี่ยอัลลอฮ์พอใจหมอัลลอฮ์ AH. ไม่พอใจเอาอัลลอฮ์เหมือนกัน แ ต, แต่ไม่รู้จักอัลลอ่์นะเนี่ยทำไมยึดอัลลอฮ์ลยยึดสิ่งอื่นคู่กับอัลลอ์เนี่ยอัลลอ์ไม่พอใจเพราะเขาไม่กระจใจว่าอัลลอฮ์นมีสิท์ัตเท่าไหร่สิทัตอัลลอฮ์มีเท่าไหร่นะ99พระนามนั่นเป็นสิท์ัตจริงๆเลยทรงเห็นทรงรู้ทรงจะยนินทรงช่วยเหลือให้เป็นให้ตายยังไม่พ อ, อยเลยอ่ะทีนี้นบีก็บอกว่ า, วาคุณ ถ้าหาคุณรับอิสลามิฉันก็จะให้คุณสองประโยคและต่อมาชายคนนี้ก็รับนับถืออัลอิสลามพอรับเสร็จแล้วก็มาหาท่านนาบีไปทวงโอรสุนของอัลลอฮ์ท่านสัญญาว่าจะสอนฉันสองประโยคช่วยสอนฉันหน่อยนบีก็สอนอัลลอฮุมมาอัลฮิมนีรุชดีแปลว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดชี้ทางนำที่ถูกต้อง ลวมไปในหะัวใจของฉันว่าอ้ายนีมินชัลลีนับซีแล้วก็ขอให้คุ้มครองฉันนะครับให้พ้นจากความชั่วที่อยู่ในตัวของฉันคุ้มครองฉันเนี่ยอย่าให้ปฏิบัติความชั่วที่อยู่ในตัวของฉันเพราะทุกคนมีความชั่วด้วยกันทุกคนนั่นแหละมีทั้งดีแล้วก็ชั่วคือมีไซตอนแล้วก็นิมาไลกาอยู่ในตัวคนเดียวกันฉะนั้นอิทธิพลของไซตตอนเนี่ยอย่าให้มีอิทธิพลเหนือเรา นี่ต้องการจะอธิบายว่านาบีเนี่ยไม่เคยตําหนิคนกาฟเฟสนะนบียังคุยวันนี้คุณกราบเท่าไรใช่ไหมนบีเป็นคนใจดีนะนบียังคุยคุณกาบกราบเท่าไหรออันนี้ก็ตอบเลยเจ็ดหก บ, บนแผ่นดินเจ็ดบนชั้นฟ้าอีกหนึ่งบนชั้นฟ้านาบีไม่ใช่ตาหนิเลยนะนบีบอกว่าถ้าคุณรับอิสลามสิหันมายึดอัลลอฮ์องเดียวสิแล้วคุณจะ ได้เนี่ยฉันจะให้ประโยชน์กับคุณสองข้อเขาก็มาทวงถามท่านนาบีมสอรอฮอัสซลัมอ่ะทีนี้ทำไมนบีจงบอกว่าให้ทิ้งให้หมดนะ่ะไอห้หกรูปนะ่ะทิ้งให้หมดนะ่ะถ้าหากไม่ทิ้งน่ะมันตรงกับอายานี้นะ่ะท่านลุนับบิุุกุมบิลอัคซารีนอามาละจะเอาไหมฉันจะแจ้งให้พวกท่านถึงผู้ที่ทำงานแล้วขาดทุนยิ่งนะ่ะเนี่ยคือว่าทำอิบาัดาแล้ว พวอิบาดานั้นไม่ได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นะเอาล่ะนบีมาอธิบายแทนอัลลอ์อีกทีหนึง่งให้เข้าใจง่ายๆว่าถ้าไปกราบสิ่งอื่นคู่กับอัลลอ์การกราบความพูลนั้นอัลลอ์ไม่รับพิจารณาเลยไปหาอัลลอ์ด้วยนมาดขอจากอัลลอ์มันชาิจริงๆไปหาโตตะเกียตอ ไ, ได้ไหมนี่ไงไตรงนี้ต่างหากแหละที่อัลลอฮ์อัลละไม่พอใจ ส่งน บ, บีมุฮัมมัดมาสอนเรื่องนี้แหละอย่าทําชิริกนะอย่าทําอัิมัดนะอย่าเอาสายสายโนสายนี้มาใส่ที่มือนะมาใส่ที่คอนะที่เอวบ้างทิ้งให้หมดนี่เป็นชิริกต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดนี่ก็สอนมา ว, ว่าขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยผ่านนมาดผ่านนมาดดีที่สุด เป็นนมาตอนทหัจยุดดีไหมอัลลอฮละห์มุลิเลาหรือว่านมาสุนัขธรรมดานี่แหละตอนสูย้ยูเนี่ยขอนนานๆไปเลย <c oughs> นะอันทีนี้อายะอื่นอธิบายอย่างนี้ <c oughs> อูลายกักลลัดีนะขอสิรูอัลฟุสฮุมบะดลล้านฮุมมากานูยัฟตารูนชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาขาดทุน และสิ่งที่เขาอุปโลกขึ้นนั้นก็ได้ตะเตลดิดหนีไปจากพวกเขาแล้วต้องอธิบายยังไงสิ่งที่เขาบูชารูปเจวเวททั้งหมดน่ยพอมาถึงวันเกียร์มากเนี่ยรูปเจวเวทที่เขาบูชาเนี่ยหนีหมดหายหมดต้องการจะอธิบายอย่างนี้คนที่แยกเอาศาสนานะครับออกจากงานที่เขาทําการทํางานของเขามันขาดทุนเอาเช่น เอาศาสนาออกออกจากค้าขายค้าขายไม่เอาศาสนามามามากำกับชีวิตและสิ่งที่ติดนั่งธุรกิจเนี่ยอค้าแม่ค้าเนี่ยทไรมากที่สุดโกงอะไรโกงตาช่งางถามว่าโกงตาช่างเนะี่ยมันดีตรงไหนถ้าไม่เอาศาสนาเข้ามากำกับเนี่ยพวกแพร่พอค้าแม่ค้าเนี่ยโกงตาช่างในสมัยนบีอะไรนบีชวุวยบเนี่ยโกงตาช่างใช่ไหม ถ้าใครไม่โกงตาช่างเนี่ยคนนั้นน่ะเป็นคนที่ไม่ฉลาดเพราะเขาคุยกันว่าการโกงตาช่างนั่นจะทําให้ร่ํารวยคนจะรวยมันต้องโกงใช่ไหมแ ล, ล้วลอว่าไงมาเราส่งนบีชวอฮิบมาอ่ะมาสอนบอกเลิกโกงนาะตาช่างนี่ยเลิกนะคุณอ่านว่าไงนะไวลุลิลมูตอฟีฟินความวิบัติจะเกิดขึ้นกับคนที่ช่าง ตัวแบบให้ร้องให้ขาดกูอานห้ามาแล้วเป็นไงอลัลลอฮ์ส่งนบีนบีฉะอิบมาสอนไม่มีใครเชื่อพอไม่เชื่ออลัลลอฮ์ก็ให้ร้อนให้เบืองนั้นร้อนคนร้อนเนี่ยมาอยู่ไม่ได้มันก็หาที่หลบไนงะก็ไปเจอแหล่งหนึ่งเป็นอะไรเป็นก้อนเมฆ ก, ก้อนเมฆเนี่ยคิดว่าฝนมันจะตกมึงก็ห น, นีไปอยู่ตรงนั้นไปหมดเลยคนรวยๆหนีไปหมดแหะ พวกนักธุรกิจใหญ่ๆนี่ไปอยู่ยีนนั้นหมดก็รอเนี่ยเดี๋ยวฝนจะมาแล้วมันจะเย็นที่ไหนได้ก้อนเมฆที่คุมอยู่นั่นเวนลาตกตกเป็นไฟมันจะตกเป็นน้ำเห็นไหมตายเรียบหมดเลยนี่ในคัมภี์อัลกุรอานแค่นั้นกุรอานก็มาสรุปให้ฟังบว่าการค้าการขายที่ไม่มีศาสนาโกมกันหมดรวมไปถึง คนที่มีสตังแล้วไม่มีศาสนาอเป็นไงคนที่มีสตงังศาสนาไม่มีเนี่ย ม, มันจ่ายอะไรบ้างจ่ายสากาัดไหมจ่ายทีไย่ไม่จ่ายไม่จ่ายฉะนั้นใครที่มีสตังเยอะๆต้องมีศาสนาเยอะๆเงินของเขาที่บริจาคกกไปนั้นอัลฮัมดุลิลละมีมีบราระกัดหมดเลยฉะนั้นพ้นเรื่องถึงสากาดต้องนึกถึงสี่อย่างนะหนึ่งสากาดสองอะไรนะสอดดอกกอ สาะดียะสี่วกัฟสีอยา่างฉะนั้นรวยไม่มีศาสนาอาลัลลอฮ์ลงโทษหมดเลยเอาต่อมาเหมือนกันครอบครัวที่ไม่มีศาสนาเนี่ยก็ไม่คิดที่จะนินิก้าก็อยู่กันอย่างงั้นแหะกัอ า, อามาอยู่ด้วยกันท่านครอบครัวใดที่ไม่มีศาสนากำกับในครอบครัวนั้นลูกเต้าจะ เ, เละเทะหมดนะ แต่าะ้นครอบ ค, ครัวใจที่มีาศาสนายิ่งพ่อเขร่งคัดาศาสนาเนี่ยลูกจะดีออย่างซุโบโนี่เขาก็ปลุกลูกให้ตื่นแล้วตื่นตื่นตื น, ตนนมาสุโบน ร, รู้ปล่านับี๋ยสอนยังไงรู้ไหมอย่านอนในเวลานมาสุโบนี่ตั้งแต่ตะวันตั้งแต่รุ่งอรุณขึ้นจนกระทั่งตะวันจะขึ้นนั่นอย่านอนที่าศาสนาเข้ามากำกับชีวิต มีอยู่วันหนึ่งท่านนาบีไปที่บ้านท่านหญิงฟาติมาท่านหญิงฟาติมาก็นอนอยู่นบีปลุกเอาเท้าเขี่ยลุกลุกลุกลุกอย่าลืมว่าเท้าเ น, นี่ยสระคนทั้งทั้งโลกเลยเขาไม่ถือแต่คนไทยถือนะใช่หรือไม่ใช่คนไทยเนี่ยถือนะแต่ละปุ๊บปุ๊บ ป, ปุบอกลุกขึ้นลุกขึ้นมาเป็นพยานรับรีสกีที่อัลลอฮฺจะจะจั ด, จดสรร์ ตัวนบีก็พูดบอกว่าอินนัลลอฮะยุคสิมอาร์ดาคนนัสแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยจัดสรรริสกีของมนุษย์ตั้งแต่รุ่งอรุณขึ้นจนกว่าตะวันจะขึ้นเห็นไหมนี่ใครพูดนะนบีพูดนะสิ่งที่นบีพูดมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเพราะอลัลลอฮ์แต่งตั้งให้นบีมุฮัมมัดมาอธิบายเรื่องของอลัลลอฮ์ให้มนุษย์รู้ผ่านนบีมุฮัมมัดคนเดียวไะนบีก็สอน ฉะนั้นคนที่มีศาสนาเนี่ยเข้าใจศาสนาเอาศาสนามากำกับครอบครัวตัวเองชีวิตตัวเองเขาจะไม่นอนตั้งแต่ฟ้ารุ่ขึ้นจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นบอกว่าฉันก็นอนเห็นรวยอยู่อไอ้รวยของคุณไม่มีบรารกัดนะไอ้เงินของคุณนะพาคุณลงลงล ง, ลงนรกแต่ถามว่าคุณมีเงินแล้วก็เงินที่ได้มาตามที่เขาล็อกกำหนดเงินของคุณมีบรารกั พาให้ครอบครัวคุณมีบรรยากาศปกป้อ ง, อ ง, องลูกคุณไม่ให้ตกนรกไม่ใช่ได้แต่เงินเงินเงินแล้วก็ไม่มีบรรยากาศเราเอาไหมแล้วก็ไม่เอาใชะท่านการมีศาสนาเ น, า น, านาี่ยสำคัญรวมไปถึงการเมืองก็เหมือนกันการเมืองทิ้ทงศาสนาเอาคุณธรรมออกหมดแล้วเป็นไงวันนี้เป็นไงไม่จบใช่ท่านมันต้องมีศาสนาถามว่าบรรดาณนะบีทั้งหมดนั่นนะเล่นการเมืองหมดเลยนะแต่เขาไม่พูดกัน อัลนาบีมูซามาต่อต้านกับใครฟาโรนะกษัตริย์ฟาโรนั้นน่ะนักการเมืองตัวใหญ่เลยน่ะฆ่าประชาชนฆ่าคนกดขี่คนอลัอลลอฮ์ส่งใครมาอันบีมูซามาจะพ้นอันเดียวชนะไม่เห็นน่ะแต่ว่าความรู้ที่ผ่านนาบีมูซานั้นมหาสาลอิบรอฮีมก็เหมือนกันส่งนบีมัดมาปราบการเมืองแบบคอร์รัปชันน่ะ แบบเกะกะแบบไรนะแบบไม่เอาคุณธรรมไม่เอาศาสนาเข้ามาบริหารประเทศเนี่ ย, ยก็พังทุกประเทศนั่นแหละนะอย่างนี้เป็นต้นตกลงว่าอายานี้ดีไหมดีครับกุลฮันูนาบิรกุมบิลอาซารีนาอามาลาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจะให้เราแจ้งแก่พวกท่านเอาไหมถึงผู้ที่ขาดทุนยิ่งในการงาน ต่อมาครับผูลที่หลงทางในุมฟิตของโลกนี้บรรดาที่การขยันของเขาการขนขวายของเขาหรือการวิรยะของพวกเขานั้นสูญไปด้วยการฝักใฟหรือแยกเอาศาสนาเอาคุณธรรมออกในชีวิตของโลกนี้พอแยกศาสนาแล้วเป็นไง วะฮุมยัพซาบูนพวกเขาก็ยิมอุลมามะตักเซนเคยขยิมก็ยิมแบบโง่โง่ยิมแบบไหนนะแบบโง่โ ง, งเอ า, าศาสนาทิ้งแล้วนะครับแล้วก็เอาความคิดของตัวเองใส่ไปนึกว่าแจ๋วก็เลยพวกเขาก็ยิมด้วยความโง่เขลา ว, ว่าอันน้าฮุมยัพเซโนนัซูน่นา พวกเขากําลังทําหรือว่าผลิตกรรมที่ดีคิดเองพวกเขากําลังทําของที่ดีที่สุดคิดเองเอลัลลอฮ์พอใจไหมอลัลลอฮ์ไม่พอใจแล้วก็ไม่รู้จากสุนานะอับบีด้วยไม่เอาซุนานะอับดบีมากํากับจะเป็นไงอลัลลอฮ์เล่าเลยงาน ค, นคุ้นที่ทํานั้น่ะสูญอายหมดเลยแล้วยังยังกะยิงว่าฉันทําถูกแล้ว ยัซีนูนะแปลว่าที่ดีซุนอาการงานการปฏิบัติที่ดีแล้วนี่คิดเองหมดเลยมนุษย์คิดเองเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้งหมดนะมาจากอัลลอฮฺี่น้องมุสลิมเรานะ่ะเดินตามถ้าคนกาเฟสวันนี้สเกตนะฮะยิสูหลงใครฆ่านักการเมืองคนไหนฆ่าฮะยิสูหลงนะไม่กล้าพูดนะ ใช่ไหมผมไปพบเลยนะคนที่จับพระยซสุรงโยนมาจากเครื่งบินใส่ใส่ใส่กระสอบโยนโยนหน้ามาเล่ากาฟังหมดสักสิบปีทีแล้วก็ตกใจโอ้ ย, อยตรงนี้แลวเนี่ยแกแล้ววคนนีคน้คนจะตายแล้วมั้งผมเองครับล้วตัววันนี้เขาเล่านะขป็นก็เป็นคนรักษาเป็นเป็นหมอฝังเข็มก็อบอกว่า ใครจะเป็นมุสลิมมารักษาผมผมรักษาฟรีคุณถามรักษาทำไมฟรีแก้แค้นที่ตัวเองทําบาปไว้เยอะมั่นมีหัวหน้าสางเอกนะ้านี่เป็นลูกน้อง <c oughs> ใช่ไหมอยู่ในเะมืองไทยนี่แหละอยู่ใกล้ๆพวกเรานี่แหละ <c oughs> เอานี่ไงา <c oughs> การเมืองที่ไม่มีอิสลาม <c oughs> เห็นไหมข่าคนนั้นข่าคนนี่จัดคนนั้นจัดคุนนี่ ถ้าเอาอิสลามออกจากการเมืองเอาศาสนาออกจากการเมืองปัญหาเกิดเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้คุณอานอญญาจฉริยสอนดีนะสอนดีนั่นอย่าเอาอย่าเอาอะไรนะาศาสนาออกจากการงานทุกชนิดว่าจะเป็นาการการค้าขายธุรกิจการเมืองสังคมครอบครัวเอาล่ะต้องเอาศาสนามาจำกับทั้งหมดจะเดินจะเข้าห้องน้ำต้องมีาศาสนาไหมเอาล่ะขนาดจะเข้าห้องน้ํายังมีาศาสนา นอนมีศาสนาอัลลอฮอักบจะอยู่กับภรรยาจะไม่เอาศาสนามากำกับชีวิตหล้อขับรถจะขึ้นรถมอเชาบอ่านอ่านดูอะไรยังก <c oughs> ำกับด้วยศาสนาทั้งหมดอัลฮัมดุลิลลาห์เอาต่อมาครับตัปซิดอธิบายอย่างนี้อธิบายบอกว่าอัลลอีนบอละซะยุมบรรดาผู้ที่การ วิริยะความขยันการวิริยะด้วยการขนขวายของพวกเขาวสูญไปเนี่ยก็กว่าพวกไหนตักซิบอธิบายนะเขาบอกว่าพวกซอฮาบานะบีอธิบายพวกตาบีอีมีความเห็นว่าอ่ะลูกิตาชาวคัมภีร์ที่มาก่อนหน้าเราชาวคัมภีร์เนี่ยนะที่ถือคำภี์คมภีคมภี์กันหมดนั่นแหละ ก็จากนั้นก็มีสองศาสนาใหญ่ๆใช่ไหมยะฮูดีกับนาสรอรนีสองกลุ่มนี้ไม่ได้เอาศาสนามาํำกับชีวิตเลยถอดศาสนาออกหมดเหลือแต่ ง, งานเพียวๆเห็นไหมอา้าวระบบระบบดอกเบี้ยเนี่ยใครกำหนดใครกำหนดอาลุกีตามใช่ไหมแล้วเราก็เดินตามคนยะฮูดีวันนี้จะมีเป็นตน นี่เขาอธิบายดีท่านอิบนออับบาท่านซาดิบนาบีวกอสท่านมูจาฮิตอธิบายเหมือนกันนะครับท่านอิบนุอับบาสอธิบายว่าอัสฮะบุซาวามี่คนที่อะไรนะการงานของเขาการบุริยะของเขาสูญหายไปแล้วก็คือคนที่อะไรนะ่ะชอบอยู่ในอยู่ในโบส อยู่ในนิสวาวะอยู่ในเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอะไรอาคารศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพวกนี้นะเข้าไปอยู่ตรงนั้นนี่อธิบายได้นะครับอนี้อุละมะมุสลิมอธิบายบอกว่าอามาลุลบาติละงานที่สูญหายก็คืองานที่ไม่เอาศาสนามากำกับชีวิตเช่นสุนนะของท่านนาบีไม่เอามากำกับชีวิตของเรา ถ้าจะเดินก็เดินตามใจเรามาเด้นถึงสุนทรนบีมีตาไม่ได้เอาสุนทรนบีมาควบคุมตามีหูไม่เอาหูมาควบคุมไม่เอาสุนทรนบีมาควบคุมหูอธิบายยังไงมีหูไม่เอาสุนทรมาควบคุมเจอเพลงเจอเพลงไปไงฟังหมดเจอละครก็ฟังแต่หากว่าหูที่มีาศาสนาเนี่ยเอาสุนทรนะบีมาควบคุมก็าจะไม่ฟังเพลงนะ่ะฟังมันกันเล็กๆน้อยๆมันบาปอ่ะ พอฟังเพลงอะไรมันเพิ่มหรู้ไหมนิฟากมันเพิ่มเอานิฟากแปลว่าอะไรนิฟากแปลว่าหน้าไหว้หลังหล่อจะเกิดขึ้นที่หัวใจฟังเพลงมากๆเนี่ยนิฟากมันจะขึ้นที่หัวใจฉะนั้นคนดีๆเขาจะไม่ฟังเพลงยิ่งไรนะ่ะดนตรีเนี่ยเขาจะไม่ฟังนะครับขนาดนบะี B, ยังมืออุดหูอย่างนี้เป็นต้นแต่พวกเราหล่อเปิดอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาอายาที่หนึ่งห้า أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا อธิบายต่ออีกนะครับคนที่ทำงานแล้วอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณางานของเขาเนี่ยนะหนึ่งงานที่แยกเอาศาสนาเอาคุณธรรมออกเหลือแต่งานดีๆไม่นึกเหลือแต่งานที่เขานึกเองนะไม่เอาโซ น, น่ามาจำกั บ, กบนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองอุล่าอิคาร์ดีนักัฟารูบิอายาติรับบิฮิมวลิคออฮี เหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของเขาในใจของคนเหล่านี้ที่ทํางานอยู่เนี่ยนะในใจของเขาปฏิเสธอัลลอฮ์อยู่ในใจไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอา ah. เอัลลอฮ์ฉันไม่เอาอัลลอฮ์คำสั่งของคุณก็มีคําสั่งไปที่มาจะเอาล่อฉันไม่เอา อีกข้อหนึ่งวาลีกอีฮีและพวกเขาปฏิเสธนะครับที่จะพบกับอัลลอฮ์ในวันเตียมะนี่ไงเวลาทํางานแล้วไม่ได้นึ ก, กว่าเขาจะต้องไปพบกับอัลลอฮ์ในวันเตียมะไงทําแล้วไม่ไม่ได้นึกเลยว่าผลงานอันนี้จะไปพบกับอัลลอฮ์จะต้องไปยืนอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮ์สุบฮานหูบาอาลา ก็เลยทําอย่างเดียวมาเรียนึกถึงวันนั้นนี่ไงขาดทุนอยู่ตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นต้องการจะอธิบายให้พวกเราเข้าใจฝังนั่นคือว่าอย่างเวลาเราทําความดีเรื่องเรื่องนามาติอย่างยกยุบมือขึ้นอัลลอฮฺ K B. คนที่นามาตแล้วคิดถึงวันเกียร์มาท่านจะต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะถามฉันว่าคุณนมาตใจผูกเชวื่อมั้ยท่านึกถึงอัลลอฮฺนะนึกถึงภาพวันเกียร์มาเนี่ย นมาใจมันจะกูช่วถ้าไม่นึกถึงอัลลอห์ไม่นึกถึงภาพวันเตียมาเนี่ยใจจะไม่กูช่วกระใจลอยๆสังเกตนะใจลอยแล้วก็นึกกระดุนยาพอนึกปั๊บเอระหลงเท้าอยู่ที่ไหนวะเนึ ก, นกเอ๊รถขายา อ, อังแจเปล่าวะเอาอังแจมาเปล่ามันนึกอ่ะนึกกระดุนยาดุนยาดุนยาดุนยาใช่ไหมเจ้นา น, น้าบีก็มาสอนอนะ่ะ จะให้ใจคู่ชั่วให้นึกถึงใครให้นึกถึงอัลลอ์แต่อญญายา์นี้เขาปฏิเสธที่จะพบกับอัลลอฮ์ใจสงบไหมไม่สงบฉะนั้นใครก็ตามที่ทำงานบนโลกใบนี้และเขาไม่นึกว่าเขาจะต้องพบกับอัลลอ์นั่นแหละเป็นการงานที่สูญเสียไปหมดเลยโอ้เรื่องใหญ่นะยพี่น้องเรื่องใหญ่มากเลยฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงอัลลอ์ตลอดเวลานะ คนที่ปฏิเสธนะคนที่ปฏิเสธแล้วก็ไม่เชื่อโลกอาคิระกเป็นไงฟาฮาบิตอามาลูฮมดังนั้นการงานของพวกเขาฮาบิตตแปลว่าไร้ผลเสียหายไม่มีรางวัลเลยีปน้องเสียหายหมดเลยทำงานแล้วไม่ไม่นึกถึงอัลลอฮไม่นึกถึงโลกอาคิระก นั่นเป็นการงานที่เสียหายฮาบิตอดอามาลมการงานที่ทำไม่นึกถึงอัลลอไ์ม่ได้ทำในนามของอัลลอไ์ม่ได้นึกถึงซุนนะนะบีสองข้อนี้งานเสียหายหมดเอาต่อมา فلا نقي ملهم فلا نقي م ل ه มและเราจะไม่ตั้งอ่า เราจะไม่ตั้งหนุกตีมหนุกตีมกําหนดก็ได้นะแล้วหุ้มให้แก่เขาเหล่านั้นทั้งๆที่ทํางานเหนื่อยนะนะเราไม่ตั้งเราไม่จัดให้แก่เขาเหล่านั้นเย้ามันเตียมะในวันเตียมะวาะนานวาสนานแปลว่าน้ําหนักงานที่เขาทํานั้นน้ําหนักไม่มีในวันเตียมะน้ำหนักไม่มี อาทำร่วมตาจาจต่น้ำหนักไม่มีอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอนะัลลอ์นะอาจจะนั้นสรุปจากอาย่ญญานี้ก็คือพวกเขาทำความดีเพื่อหวังค่าตอบแทนบนโลกดุนยาใบนี้นั่นแหละเป็นการทำงานที่ขาดทุนยิ่งทำแล้วไม่เดนึกถึงโลกอาคีอรอการปฏิเสธโลกอาคอระ ท่านี้โลกอาเคโรอนเน่ยรู้บป่ามันมีอะไรบ้างหลังจากตายไปแล้วเนี่ยหลังจากตายไปแล้วมีงานต้องหลายอย่างนะหนึ่งสุสานต้องคิดนะพอตายพับเนี่ยสิ่งแรกก็คือพาไปสุสานพอนอนอยู่ในกูโบเสร็จแล้วมีใครมานะมาลาฮิก้ามาสอบ ง, งานใหญ่นะเรื่องที่สองเตรียมตัวฟื้น เดี๋ยวไปฟื้นอีกแล้วนะพอนอนนอนเราก็ต้องฟื้นวันฟื้นคืนชีพเนี่ยเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากเลยขนาดอะไรนะ่ะหนักมากเอาเาหนักก็แล้วกันนะเอาลอเอาข้ อ, ข, อ, ข, อข้อที่สามถูกให้ไปชุมนุมที่ทุ่งมาชัดีนสามแล้วนะสี่นำไปคิดบัญชีสี่ ห้าถูกนําไปข้ามไปข้ามสะพานนะหกนาตัวไปชั่นน้ําหนักเนี่ยพอไปชั่นน้ําหนักปั๊บเนี่ยน้ําหนักไม่มีเลยพาพาคนคนหนึ่งไปชั่นน้ําหนักที่ทุ่งนี่ทุ่งมาชันะ่นน่ะแต่น้ําหนักของคนไม่มีนะคิดดูมันจะเหลืออะไรท่า น, นชีวิตหลังตายเน่ยมีตัง้งหกเจ็รายการนะ่ะ ที่คนจะต้องผ่านจนกว่าจะเข้าประโยชน์ในสวนสวรรค์ของอนะัลลอฮ์น่ะหรือว่าการของเขาเออกจากนรกนะ่ะทั้งหมดแปดรายการก็รต้องคิดดูสิแล้วจะเหลืออะไรอ้างอธิบายอย่างนี้คําว่าตาช่างหรือตาชูหรือว่าน้าหนักเนี่ยอธิบายอย่างนี้ท่านอบีฮุไรย์รัะเป็นตับเซตนะอธิบายว่าท่านนาบีกล่าวบอกว่าลายาติร์รยูลูอัลอาวีมุซามีนในวันเกียม์มาเนี่ยอัลลอฮ์จะพาคนที่อ้วนที่สุดน่ะ คนอยู่บนตวงยามันก็อ้วนวันเกียร์มันก็อ้วนแบบนี้แหละมันก็อ้วนใหญ่นะพาไปช่างตาช่างละยะซิงอินดะลอฮิจานะฮะบะอูดะไม่มีน้ำหนักแม้แต่นี้เดียวเท่ากับอะไรนะปีกยุงก็ไม่มีทั้งๆทน่คนนี้นะอ้วนเนื้อก็เยอะหนังก็เยอะน้ำก็เยอะก็ดูก็เยอะเลือดก็เยอะที่อยู่ในตัวเนี่ย วนไหไปช่างป้าบเนี่ยน้ำหนักไม่มีเลยวก็นหะคนสงสัยว่าเอ๊ะทาไมไปช่างไม่มีน้ําหนักอนบีบอกว่าถ้าไม่อ่านกุณอ่านแหละคุณอ่านอายานี้ไงอิกรออินซิตุมแต่หากคุณอยากจะรู้ว่าทําไมน้ําหนักความดีของคุณไม่มีคุณก็อ่านคุณอ่านอายานี้ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا วันนี้วันนี้เราจะไม่ตั้งน้ำหนักใดๆเพื่อเพิ่มภูนในตาช่างสำหรับพวกเขาอายา น, นีสอนในวันเกีย ม, มาเนี่ยนะช่างน้ำหนักด้วยกันทุกคน แต่อัลลอฮ์ไม่ให้น้ำหนักเพราะเนื้อเพราะกระดูกเพราะหนังแต่น้ำหนักของเขาเพราะความดีที่เขาทำไม่ทำความดีเลยนะมานมันคือสูญูดเลยน้ำหนักจะมาจากไหนเดือนรำบบอนไม่เคยถือถืออดเลยน้ำหนักก็ไม่มีคุณอา่านไม่เคยอ่านเลยน้ำหนักก็ไม่มีไม่เคยทำความดีไปหาพ่อหาแม่ไม่ได้หอมพ่อหอมแม่ในนามของอัลลอฮ์เลยแล้วความดีจะมาจากไหน แล้วก็ดูแลภรรยาดูแลลูกไม่เคยปฏิบัติตามสุนทานะบีสักข้อหนึงอ่ะต้องจะเอาน้ำหนักมาจะไหนฉะนั้นน้ำหนักที่ว่านี้ไม่ใช่น้ำหนักเพราะเนื้อหนังกระดูกแต่เป็นน้ำหนักแห่งความดีเท่านั้นเองอามันติสอนแล้วครับอ้าวตกลงว่าเหนื่อยได้ไหมเหนื่อยเหนื่อยนึกถึงใครใสซนาอุมัดเองคุน้องวันที่ไปพิชิตประเทศอียิปตนะ์น่ะ เขาไปมอบกุญแจนะ่ะกุญแจอะไรนะกุญแจเมืองอะนะนั่งก็ขีขี่ล้าไปไมมนได้ขีอูดเออแลา้วลจูงบ้างจูงบงั่งขี่บ้างตขาอแต่งตัวกับธรรมดาก็าบอกท่านแต่งตัวร อ, อเนี่สิเขาจะให้รอเอ็งไปฉันกลับกวก็มาระหว่างที่เดินตอนรับเนี่ยมีคนมายืนตอนรับเยอะไปเจอบาทหลวง มาต้อนรับไซนาอุมัดด้วยท่านก็คุยพอคุยไม่กี่ประโยคน้ํ้ำตาท่านไหลร้ลองไห้พอเดินออกมาก็ถามท่านร้องไห้ทำไมเขาว่าเขาก็าตอบเป็นคเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นุนนนนนนรานะอามิลาตุนนาซีบาตัสลานารนฮามียะท่านอ่านกุรานตอบงานเหนื่อย พี่น้องที่ทางานเผยแพร่ศาสนาว่ายง่ายผู้บารหลวงนะนะศาสนาเผยเผยเหนื่อยเดินทางไปทั่วโลกตัสลานาะรันหามิยะผลสุท้าโยนลงไปไหนไปนรกงานเหนื่อยแต่น้ําหนักไม่มีงานเหนื่อยแต่ผลบุญไม่มีงานเหนื่อยแต่อรรถไม่ไม่ได้ให้รางวัลเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทําตามสุ น, นัขของท่านนาบี ไม่ได้ทำตามของนบีอิสลาไม่ได้ทําตามของนบีมูซาอะไรทิสศามไปทําตามอารมณ์อารมณ์อารมณ์มหมดเลยแค่นั้นอายานีสอนเรานะจะทําความดีต้องนึกถึงอัลลอฮ์ทำความดีนึกถึงสุนนะของท่านนาบีถ้าอย่างนั้นน้ําหนักความดีไม่มีสําหรับคนคนนั้นถึงจะตัวอ้วนขนาดไหนก็ตามน้ําหนักไม่มีนะครับ คำอธิบายก็คือไม่ใช่เพราะน้ำหนักของร่างกายที่เป็นเนื้อหนังกระดูกและไขมันและน้ำแต่น้ำหนักในที่นี้คืออัลคอยคือความดีความดีที่นี้ก็คือปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีทำดีตามสุนนะของท่านนาบีเช่นน้ำหนักที่อาบน้าน้มาตามนาบีสอง นมาตามสุนนะท่านนาบีสามเข้าห้องน้ำโดยเท้าซ้ายอดีายขอดุอาก่อนเข้าตามสุนนะท่านนาบีเข้าบ้านอ่านดุอาและกล่าวสลามตามสุนนะท่านนาบีอบรมลูกๆใ ห, ใ ห, ให้ให้ปฏิบัติศาสนาในครอบครัวทาเช่นนี้นึกถึงสุนนะของท่านนาบีนึกถึงคาสอนของอัลลอฮ์นี่คือนําหนักทั้งหมดเลย ไม่ใช่คิดเองทำเองคิดเองทำเองน้ำหนักไม่มีนะครับเอาต่อมาครับอายาที่เท่าไหรนะอายาที่หนึ่งร้อยหกอุลาาลิกะจาซาอูฮุมจาฮันนัมทีนี้เมื่อ น, น้ำหนักไม่มีแล้วเป็นไงอยู่บนดุนยาตั้งหกสิบปีไปช่างน้ำหนักความดีที่อัลลอ์พอใจไม่มีเลยอยู่ได้ยังไง ตั้ง60สบปีแต่น้ำหนักความชั่วนะตเต็มไปหมดนะเอาไ่างอะไรไปช่างน้ำหนักมีแต่เรื่องชั่วชั่วชั่วชั่ ว, ช, วชั่วหมดของดีที่เราอพอใจไม่มีเลยอมาดูรางวัลยะลิกจายะซาอูหุมญะฮันนำนี่คือการตอบแทนยะซาอูหุมแปลว่าตอบแทนนี่คือ การตอบแทนของพวกเขาคือจะหันนำอะไรจะหันนมแปลได้ใช่ไหมนรกอาจจะที้ผมตับสิทธิ์อธิบายดีนะนี่ไม่ใช่นบีพูดนะอุลามะนะอุลามะบอกว่านารกมีอยู่เจ็ดขุมผมเอ่ยชื่อเลยก็ได้นะนรกมีอยู่เจ็ดเจ็ดขุมอยู่ข้างบนสุดนี่คือจะหันนม ข้างบนสุดคือจะหันนำเบาที่สุดเบามากแล้วอัลลอฮฺอัลอธิบายเนี่ยว่าไอ้ว่าเบามากแต่ถ้าเจาะถ้าเจาะจะหันนำเนี่ยนะเจาะให้เป็นรูเท่ากับรูเข็มแล้วก็เอาความร้อนเท่ากับรูเข็มเนี่ยออกเข้ามาผ่านรูเข็มนี้เนี่ยนะโลกใบนี้ไหมระเบิด ที่มีประชากร อ, อยู่เจ็ดพันล้านอยู่นะแต่มีบุคคงภูเขามีมันน้องแม่น้ำเนี่ยนะถ้าเจาะจะหันนำที่ว่าเบาที่สุดของอัลลอฮ์เนี่ยนะรู้ไหมขังใครขังมุสลิมคนแขกที่เป็นมุสลิมและไม่เอาศาสนาอ่ะไม่เอาสุนัขนบีไม่เอากุรานมาํำกับชีวิตถูกอย่างี้แค่จะเจาะเอาเอาเข็มเนี่ยเจาะหน้าเจอไปที่นรกขุมนี้นะ แล้วก็ให้ลมมันออกเพราะความร้อนออกมานิดเดียวโลกใบนี้ระเบิดอยู่ไม่ได้รับไม่ไหวนั่นกันว่าเบาที่สุดแล้วอัลลอฮ์นะอุบิลลขอความคุ้มครองอัลล์เอาจางนี้ดูคุรานก่อนวัตตาบีมากาฟารูสายเหตุที่ต้องตกไปอยู่ในนรกจะหันนำเพราะอะไรนะบีมากาฟารูเนื่องจากพวกเขาปฏิเสธ ปฏิเสธอะไรปฏิเสธไม่เชื่อ Allah ปฏิเสธโลกอาคีรอปฏิเสธตายแล้วฟืน้นปฏิเสธว่าฉันตายแล้วไม่คิดไม่ขุดไมไม่ถูกคิดบัญชีเอ้อพาฉันเดินสะโพงสะพานก็หกทั้งนั้นอ่กะก็หกมุฮัมมัด ก, ก็กห ก, ก, หกเห็นไหมอันละดูถูกปฏิเสธนะต่อมาครับวะ ต, ตั้งขู้อายตีว่รู้สุลีฮุจูอ วัตถาคดูและพวกเขาถือแปลว่าเอาอายาติแปลว่าสัญญาณ น, นะถือเอาสัญญาณหมายถึงอัลอัลอัลอัลกุรอานก็ได้ถือสัญญาณที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่ behold, อัลลอฮ์ให้มาเช่นเซิร์เคนามิเซิร์อัลลอฮ์ส่งเซิร์นามิมาละคนตายเป็นล้านเนี่ย เราไม่ได้ข้อคิดจากสซนามิเลยไม่จะนึกถึงอัลลอฮ์เลยเอา้าอะไรอะ่ะเฮอริเคนในอเมริกานะ่ะตกบ่อยที่สุดมีขึ้นบ่อยเราไม่ได้ข้อคิดจากนี้เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนี่นะเราไม่ได้ข้อคิดอะไรจากนั้นเลยเนาะได้แต่อร่อยอร่อยอย่างเดียวแล้วข้อคิดเนี่ยจากเหตุการณ์ที่มันเกิดทะเลาะ ก, กันวันนี้นะเราได้ข้อคิดอะไรบ้างอะ ให้อีมานมันเพิ่มนะมีไหมล่ะถ้าอย่างนั้นมันก็มีมีประโยชน์ทะเลอกการรวมตายถามมุสลิมได้ไมไม่รู้กูเชียกลุ่มนี้แหละกูเชียกลุ่มนี้แหละแล้วไปเชียร์แล้วมันได้อะไรอ่ะมันต้องได้อีมานเพิ่มเพราะเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นนึงไม่จะเกิดขึ้นเองนะึงอัลลอฮ์กำหนดให้เกิด น, นะเพื่อเตือนใจมุสลิมให้กลับหาอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และก็ ت ع ا ل อันมาดูต่อไป z าลิกะจะจะอูหุมจะหันนำนี่คือการตอบแทนของพวกเขาคือนรกสาเหตุที่ตกนรกเพราะวัตตาคูบีมากาฟารูเนื่องจากพวกเขาปฏิเสธปฏิเสธอัลลอฮปฏิเสธละกคนอีมันทั้งหมดปฏิเสธนมาปฏิเสธสะการปฏิเสธวันติยมะปฏิเสธทั้งหมดวัตตาคูอาญาตแล้วก็ยึดเอาสัญญาณของฉันเนี่ย ของอัลลอฮ์นะว่ารุซูลีและยื่นเอารซูลเป็นที่รอเรียนอ้าวคนที่รอนบีเป็นยังไงอัลลอฮ์สมัยก่อนเนี่ยส่งยี่สิบปีที่แล้วนะคนไว้คราวเรียกไอ้แพะนั่นรอใครร <laughs> อนบีลอคนมีคราวไอ้แพะไอ้แพะมาแล้วแล้ววันนี้เป็นไงทำอยู่ดี ล, ละไหว้คราวกันเต็มหมดแล้วอไม่กล้าเรียกแพะกลัวถูกมีเรื่องอะ เห็นไหมสุน่านบีถูกเยอะเย้ยเหมือนกันนมาดนมาดเอ็ดนมาดกลางแจ้งไอ้คนที่ไม่ชอบกะบ่นนมาดกลางแปลงมันเนื้อเราเป็นควายเงี่ยเหรอ Allah ถูกจู่ถูกถูกตำหนิถูกเยอะเยยมุสลิมมันการประคุณมีหยาบออกนอกบ้านอ๋อนี่ไอ้มงมาจากไหนอล l l a h แทนที่จะพูดดีๆให้เกียรติกันนี่ไง คำสอนของนอบีถูกเยอะเยะ้ยมีอยู่ซุนนาห์นบีบอกให้นอนตะแคงขวานะมีอยู่คนนะผู้บอกเออข้างขวาเผออะไรอ้วนอย่างนี้มันต้องนอนหงายตามใจชอบอนอนคงคงไปก็แล้วกันเขาไม่ได้ว่าอะไรก็เพียงแต่แนะนําบอกว่านอนตะคามแขนตามซุนนาห์นบีนะดีไม่ดีหวังรางวัลตอบแทนอแล้วปฏิเสธซุนนาห์นบีอย่าเอามาสอนทําไมเรื่องอย่างเงี้ นอนแบบไหนก็ได้ก็เชิญนอนไปสินอนนั่งพิงฟ้าก็ตลอดทั้งคืนก็เชิญใช่ไหมแล้วก็ไม่ว่าการสุนนะนบีมีอย่างนี้ก็อธิบายกันนี่เป็นการเข้าขายนะน ะ, ะ, ะ, ะเยอะเยยล้อเลียนนบีนี่คุณอานพูดชัดนะวัตตาคดูอายาติวรุสูลีฮุจูวพวกเขาถือเอาสารทั้งหลายของฉันของอัลลอ ถือเอารอซูลของฉันเป็นที่ลอเรียนนะอัลลอฮฺนะอุบิลละอัอฮฺอธิบายเรื่องนะรกยานนำมีอยู่เจ็ดขุมก่อนจะจบนะขุมที่หนึ่งเรียกว่ายานนำเนี่ยสำหรับมุสลิมที่ทำบาปใหญ่แล้วก็ไม่ทันเตาบ้าตัวตายก่อนมีไหมกอขอนายเป็นเราแล้ว ก, กันนะทำบาป ชบ้าตัวก่อนซ่านะครับอันนี้เนะี่ยจะหันนำเจอแนะ่แนะคุ้มที่สองฮูตอมะอยู่ตะการที่กุ้งอ่านทั้งหมดหละฮูตอมะวามาอดรอกามันฮูตอมะอ่าฮูตอมะนี่เป็นชื่อนรกนะอันนี้เหมาะสําหรับใครครับพวกอซาพวกอีไซอีซาอซ า, อาพวกนบีอีซาที่ไม่เชื่อนบีอีซาวนันนู้นลงนรกฮูตอมะ เอาต่อมาครับลาจอลาจอลา อ, ลอนี่พวกยาฮูดีที่ไม่เชื่อน บ, บีมูซาอะฮิสลามลงนรกลาจอแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกมายูซีที่อัลลอ์ส่งมามีน บ, บีส่งมาแต่ไม่เชื่อน บ, บีนของเขาเจอสซดชื่อสซด์ซีนอินรออินยารอสัย แล้วก็พวกซอบีสักอรสักกอ ร, กอรว่ามาอดรอก็มาสักกอรอะไรพวกนี้ท่านรู้ไหมนรกสักอรน่ะมันคืออะไรมีเด็กอยู่คนนึงเด็กหนุ่มในซาอุดิอาระเบียขับรถกันสามคนรถคว่ำตายหนึ่งก่อนจะตายเนี่ยตํารวจไปพบไปพบเนี่ยไปพบศพเนี่ยไม่ใช่ไม่สวเนี่ยอาการหนักเนี่ยก็เอาเด็ก คนที่ถูกรถรถอะไรนะรถคว่ำเลยนะอาการหนักนขึ้นขึ้นรถพาไปโรงพยาบาลตํารวจเขาถามว่าคุณกล่าวคํานี้สิเลอิเลฮะอินลอละก่อนตายเด็กคนนี้พูดว่าสกอร์สกร์สกอร์ตำรวจก็งงอสกอร์นี่เปนนรกไม่ใช่หรือมันพูดไม่ได้เลอีเลฮะอินลอละล้อมันลูกอาหรับนะเด็กอาหรับนะ จนทางตายไม่ได้กลา่าวคำว่าอิละอิละอิลลอห์อยู่สองคนนั้นไม่ตายก็เรียกมาสอบเพิ่งอยู่อเมริกามาหลายปีเพิ่งกลับมาเที่ยวบ้านก็เลยมาขับรถแล้วก็เปิดเพลงอะดุมดุมดุมในรถนี่ไหมรถไปควา ม, มาแล้วตายคนหนึ่งไอ้คนที่ตายพวกนี้แหละอ่านละอิละอิลลอหไม่ได้ได้จะสะกอษสกอษสก อย่างเี้ยไปใก ไ, ไปไปไปสวรรค์นรกชัดๆอ AH ัลลอฮฺุอะลามใชท่านเรียนศาสนาเยอะๆจบปัญญาตีปัญญาโทก็จบปรัตัดเอาเวลามาเรียนศาสนาด้ว ย, ยๆๆๆอยัลลอฮฺแล้วก็ยงน้อยไม่ห้ตกนรกต่อมาครับขุมที่หกยาฮิมยาฮิมเมื่อคนมุชริกคนที่ทำบาปเนี่ยทำชิ่ิกต่ออัลลอ ชอบไปหาโตะระยองตะตะเกียร์ตะลงนาโตะนูน่นโตะนี่ไปขอพึ่งอะ่ะอัลลอฮ์พ่อของอะไรอิมรอบนบินกูเซนยังยังเลิกมารับอิสลามยึดอลัลลอฮ์องเดียวอีหกองยังทิ้งน่ะเขายังทําได้อะ่ะถ้าไมเราทิ้งไม่ได้เอาจะกฮิมเนี่ยคนมุชเลิกนะคนทําชลิกพวกไปหาหมอดูตะคนตะเกียรทั้งหมดเนี่ยข้อที่เจ็ดขุมที่เจ็ดฮาวิยะ คนมมนาฟิกหน้าไหว้ห ล, งลงังหล่ออังคนโมนาฟิกลักษณะเป็นอย่างนี้เวลาพูดโกหกสัญญาเบี้ยวแล้วก็เวลาทะเลาะ ก, กันชอบขึ้นเสียงดังๆด่ดดาเขานี่แหละคนเพิม่มโนาฟิกทั้งหมดเอาถ้าใครอยากได้เป็นโมนาฟิกเชิญจะอยู่นรลกชั้นที่ไหนนะชั้นที่เจ็ดพาวิยะร้อนที่สุดเอาสรุปง่ายๆก็คือคนที่ล้อเลียนนะครับ อัลกุรอานลอเลียนสัญญาณที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วก็ล้อเลียนนบีอัลลอฮ์นี่อัลกุรอานนะชัดนะวารุสูลีฮุซูาลอเล่นหรือล้อเลียนกับคําสั่มของนบีลอเลียนนบีเองอัลลอฮ์อักบะตบาปหนักมากเลยคนเหล่านี้ต้องอยู่ในขุมนรกฉะนั้นเราต้องนึกถึงสุนนะนบีนะ สุนัขนบีปกปอนน้ป อ, งป อ, งปองนะนมาฎปกป้องนะกุรอานปกป้องนะใบตุลลอบปกป้องอยู่วันนี้ไม่ให้โลกนี้พินาศไวขึ้นเพราะพวกเราเนี่รักษาสุนัขของท่านนาบี سبحان นะตละฮูมาวบิฮัมดิกาชุวลลย์อิอิลละอันจะอัสตักฟิรุคะวะตุบุยลั s วะซัลล a l ะล k ยุม a r a h ะมะตุลล h ฮิวะบ r ระก t ต